สติมีลักษณะอย่างไรขณะนั้นพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโ์การตรัสถามด้วยลักษณะแห่งสติต่อไปว่าพันเตนาคเสนาะข้าแต่พระนาคเสสนผู้เป็นเจ้าสตินั้นเล่ามีลักษณะประการใดพระนาคเสสนวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชดูการบพิษพระราชสมภาร